แต่นสายนน้กชนางหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาเขกันในเรื่องราคก็มาหอสดตาไปสําหรับเรื่องราตอนนี้เป็นเรื่องแกิปัญหาเรื่องถอนไม้ฟังเรื่องให้เอาของท่านแล้วค่อยๆวินิจฉัย ใ, ใช้เป็นยาตาเลยโดยไม่ความมีว่าวันหนึ่งเจ้าเทียรราชทรงคุจะทดลองห่อสด จะได้ให้นาท่อนไม้ไดัเกเขียนมาแล้วก็ตัดเอาดักเขียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงก็เรียบร้อยดีแล้วจะได้รับสั่งให้ไปยังบ้านป่าจีนยะรามาเทาคมให้ชาวบ้านมี่วดท่อนดัเกเขียนนี้ข้าไหนเป็นคน้ขอข้าไหนเป็นปลายหาก็ันี้เขใ ด, ดบอกได้จะถูกปรับหนึ่งพกระหาปณะท้าก็สี่0ันบาทสมัยนน ชาวบ้านใจจีนจะว่ามาได้ฆ่าหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้กงไปหาซื้อวัฒนสุธีใครเรียกโมโหสดบัณฑิตมาพิ่ารนาอาจจะรู้ได้ขณนหาสุธีเจก็เลเรียกลูกชายมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทรารบทาบ่านโมโหสักที่เจนาดูท่านได้เชิญแล้วก็คิดว่าพระราชาคุมประทานท่านได้เชิญมาเพื่อทุดลองปัญญาของเรา เมื่อหสบันทึกขั้นดูผูรู้ว่าข้างไหนเป็นคนข้างไหนเป็นปลายถ้าลูกหลานที่รักคิดออกไหมข้างไหนเป็นคนเป็นปลายก็จะว่าผู้ย้ายไปจากกรรมหาชนยื่เห้าได้มาเพาะตรงกลางท่อนดะเขียนแค่ไปวางไว้บนน้ําถือปลายได้ไว้พราะวางบนนั้นทานที่เป็นคนก็จมเพราะในน้ําหนักมากเห็นไหม โอ้โสยสวดจีนท่านมหาชนว่าท่อนได้เกียนนี่ทั้งได้านคนหนักหรือว่าด้านลายหนักแล้วโดยต้งคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนลายมันเกิดที่หลังน้ําหนักเป็นเนื้อเนื้อของไม้เนี่ยมันแน่นไม่เท่ากันคนเนื้อมันแน่นกว่าจะมีน้ําหนักสงกว่าไม่คนนิงกล่าวว่าทั้งคนหนักกว่าจ้ะ มโหสดเหนือัจจังกะว่าถ้าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ํานั่นแหละเป็นโคนจึงบอกกระเจาบ้านและคนที่นํำท่านในเขียนมาให้ไปกราบทูลพระเจ้าจวิเทหราชตามที่มโหสถบอกท่ารไดาเจ้บ้านนะชจ้าบ้านอยู่ใ น, นบอกให้คนที่นํำท่านในเขียนมาบอกบอกไปบอกว่านี่นี่โคนทนั้งจ้ะพระเจ้าจวิเทราชทรงภาวทัยในความเชื่อหลายของมโหสถมาก รับสั่งอาจารย์เสนก็สี่คนน่ะท่านอาจารย์ผู้จอมศิษยาถามว่าจะคนนำข้าวสดมันได้แล้วหรือยังท่านเสนกก็ให้ทดลองต่อไปอีกไม่ยอมนี่มานเปเรื่องปัญหากระโหลกทิสะยุ่งแล้วสินะพระเจ้าลิเทราตรับสั่งให้นํากระโหลกทิสะชายกระโหลกทสศะหญิงอย่างนั้นหนึ่ง แล้วก็ส่งให้ชาวปลาจีน ย, ยวรมัชะคามทํานายด้ว่ากะโหลกไหนเป็นกันหลกศีรษะของผู้ชายและกันหลกศีรษะของผู้หญิลลงลูกหลานฟังหลังคิตตามจะะนึกออกไหมมันแปละกกันตรงไหนหากใครไม่มรู้จะถูกปรับหนึ่งพันกะหาบนะแ้าบ้านจะไปนำมาให้หมอสดดูหมอสดเห็ก็รู้ทันที โดยที่แสกกระโหลกศีรษะของชายมันตรงใช่ไหมแสกกระโหลกศีรษะของหญิงคดไอ้แสกนอกจากมาตรงกลางที่จะวัดตั้งแต่ ด, ด่างจะโกขึ้นไปนาหาท้ายถอยนะถ้าเขาผ็้ชายตรงถ้าเขาผู้หญิงคดความจริงนี่หลวงปู่เขากกไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ยสสังเกตแต่ว่าลูกหลามที่รักถ้าฟังแล้วแล้วก็เวลาใครเขาตายเขาเผาแล้วแล้วไปดูกระโหลกศีรษะ ว่ามันเป็นจริงตามตำราหรือไม่ให้เราอยเพิ่งเชื่อนะฟังแล้วก็ใช้วิสุทธ์ข้อนี้วิสุท์ได้อย่างเรื่องไม้ก็เหมือนกันเล่นเพเท่าออ ก, กันแล้ววัดให้ถึงกลางพอดีเอ้เชี่ยไปโผล่ก็ลองจมน้าดูว่าท่านไหนมันจมก่อนท่านไหนจมก่อนก็เป็นคนทางที่จมไม่ทันหรือเว่าแบบเนี่ยต้านรอสมนิมิทันทนั้นไหละลาย สมกก็จเขาบอกประโลหิตสาเนี่สังเกตง่ายถ้าทางที่ดีแล้วก็ไปดูรูกปกระโหลกถ้าก็มีวายศาสตร์รูปครงกระโหกอ่ะจริงให้ชาวกระโหลกจริงให้บอกให้ชาวบ้านดูว่ากระโหลกที่สานนี้เป็นกระโหลกผู้ชายกะโหลกที่สานนี้เป็นกะโหลกของผู้หญิงแค่ว่ายนะคนที่นำมาไปกราบทุนตามที่มโมโหสดบอก พระเจ้าวิเทธิราชทรงชอบภาไทยมากแต่ก็ยังทรงรอดูต่อไปอีกอ น, นี่พิสูตรเองแล้วซักไม่เอาแล้วแต่รอไม่ไหวพิสู์ตัวเองตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องงูวันหนึ่งพระเจ้าวิทธราชรับสั่งให้นำงตูตัวผู้กับงูตัเมียมายย่านะตัวนี่ได้ส่งไปให้ชาวบรานีินอยวางว่าจะคำ บอกว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีเคยรู้จะถูกปรับหนึ่งพันกระหัสนะถ้าบ้านยังพากันไปถามมโหสถนีลูกหลานใคยสังเกตหรืเปล่าว่างูประเภทไหนอย่างไหนถ้าผู้ตัวเมียเมื่อสดมนิดพอเห็นก็รู้ทันทีว่าตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวไหนเป็นตัวเมียเพื่อหางและหัวของงูตัวผู้นะ หางและหัวเของงูตัวผู้ใหญ่จะไม่ดีนะต้องงูน่ะถ้าตัวผู้หัวมันก็ใหญ่หางมันก็ใหญ่ตัวเมียนี่ถ้าเราตัวเมียนะหัวเร็วยาวตางูตัวผู้ใหญ่ตัวเมียตาเล็กเออใช่ไหมฟังอันนี้นะจำแบบงูหางงูตัวเมียน่ยมันเร็วแล้วก็ยาว ตางูตะโพนมันใหญ่ตัวเมียตาเล็กลายงูตะโพว์ติดต่อกันถ้าเรางวยลายเนี่ยลายงูของตัวเมียเนี่ยมันมันมันขาดเนอะก็มันมีจุดขาดเมาเราต้องแก้ แ, กแกจ้งในชาวบ้านว่านั่นตะโพวนี่ตัวเมียชาวบ้านมันแจ้งแ ก, แก่ผู้ที่นํางูมาถามมานํางูมา ถ้าบอกไปตามที่มโหสถบอกไ้เจ้าอิทธิราชมันทราบว่ามโหสถเป็นผู้บอกก็ทรงินดีมากแต่ก็ยังยังก่อนอันนี้ทดลองใหม่ <c oughs> ปัญหาเรื่องนี้เรียกว่าปัญหาเรื่องไก่ไปเจ้าอิทธิราชทรงมีพระดัชนีลำดับสั่งให้ชาวบ้านปลาจีนยาวะาปลาจีนยาวะมจาจะทำส่งโคตัวผู้ มีกายขาวตลอดมีเขาที่เทา้ามีหนกที่ศีรษะให้ส่งบัตรไวถ้าหากไม่มีใครส่งเลยได้ก็จะถูกปรับหนึ่งพกระหาบณะนะชาวบ้านหมดปัญญาดีมันมีที่ไหนนะให้โคไอ้คเนี่ยมีกายขาวตัวโู้ด้วยแล้วก็มีกายขาวตลอดมันมีที่ไหนมีเขาที่เทา้า แล้วก็มีโหนกที่ทิศตะสรงไปถวายแ้่มันหมดปัญญายังได้ไปถามโมโหสดโมโหส ก, ก็แจ้งรู้กรใจทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่เท้าตลอดตัวเพราะไก่ไม่มีไม่มีเขาที่เท้าเพราะไก่เนะี่ยมีเขาที่เท้าคือเลยมีหนกที่ทิศตะซึ่งงอน ยิ่งบอกกับชาวบ้านว่าให้นำไก่ขาวไาถวายชาว บ, บ้านก็นำไก่ขาวถาวายต่อพระราชาพระราชาก็ทรงพอพระทัยมากยินดีมากตอนนี้จะมาว่าจะมีปัญหาต่อไปปัญห า, าต่อไปนี่ไม่บอกก่อนนะเจ้ะพระเจ้าวิเทรชทรงมีแก้วมันเยือุอยู่เนึ้ง ซึ่งเดิมเทา้าสกกระเปโบรินพรกจะทานให้แก่พระเจ้ากุสลราชมาพระเจ้ากุสลราชเหนียวโหเสื่อนี้เยอะแยะใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้ากุสลราชที่ไม่เรื่องอัศจรรย์มาหลังจะคุยให้ฟังเมื่อแรจึงได้ทอดแล้วตกทอดมาถึงพระองค์ว่ แม่พระเจ้าวิเทยราร่ามีเป็นพืชธพันและเป็นราชวงศ<ม>์ของพเจ้ากสศลศรัทเาสุงมากแต่วันนี้ดรงนี้มีช่องคดอยู่ถึงแปดแห่งมมีช่องขน้นจะมันคดไปคดมาแปดแห่งได้ที่ร้อยไว้เดิมก็ขาดอยู่ข้างในไม่มีใครได้เก่าออกมาได้แล้วแม้ก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่ไปได้ไม่ได้ก่ามาันด พระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้เป็นให้นำไปชาวบ้านป่าจีญวะ ม, ะะมัตะคามป่าจีญยวะวมัชะคามนะนำมันได้อากาออกจะแก้วมันอีองถ้าค่อยร้อยได้ใหม่ใส่เข้าไปแทนถ้าใกรร้อยไม่ได้จะถูกปรับไหมถูกปรับแสนยหามณะหนึ่งหงมื่นสองพญาหามณะแถวบ้านหมดปัญญาจะพากันไปนหามาโคสด แจ้งพระประสงค์ของพระราชาให้รทราบหมอสดหยิบแก้วมันีมาพิจารณาดูก็เห็นทางที่จะทําได้ที่เอาน้ําพึ่งมาทาที่ช่องแก้วมันีทั้งสองข้างแน่าได้แดงเอาฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ําพึ่งทาทางบนายได้ร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งให้นําไปวางไว้ตรงที่มีมดแดงมากๆ เราลูมานนะนี่ใช้หมดแล้วมันดาหมดแดงก็พากันมากินได้เก่าในเช้าวันนี้แล้วข้าบปลายได้แดงที่ร้อยไปหน่อยหนึ่งนั้นลากออกมาทีละข้อีกข้างหนึ่งเมื่อได้เห็นเรียบร้อยดีแล้วก็นด้ส่งให้ชาว บ, บ้านนำไปถวายพระราชาพระราชาก็ลองโสมานัสสัดีใจ นี้ต่อไปเขาแก้ปัญหาเรื่องโคไอโคตกโลกโคงัวมีลูกอ่ะวันหนึ่งพระเจ้าวิเทราชทรงสั่งให้ราชบรุษนํนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วให้อาหารจงผงกลางแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านบอกว่าโคตัวนี้มันตั้งท้องไม่เท่เลย ใครๆเขาก็รู้ไอ้ตัวผู้น่ยมันตั้งท้องได้ยังไงมันดูท้าจะเล่นทางไหนดูต่อไปก็แล้วกันนะถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับ<ม>อืยังไงมันตั้งท้องให้ชาบ้านช่วยกันทําโคตัวนี้ให้เ อ, เ, อเอาลูกออกให้ได้ัวมันท้องนี่แต่ไอ้งูตัวผู้มั น, มนท้องเอาลู ก, ออกทไหนลูกออกทางอุจาระมช่ ให้ลูกออกให้ได้แล้วส่งไปพ ร, ร้อมกับก็ด้วยลูกโคถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับนี่หมายความให้ชาวบ้านเนี่ยเอาโคนี้ให้ออกลูกให้ได้แล้วส่งไปพ ร, ร้อมกับลูกโด้วยแสดงไอโงวตัวนี้มันมีลูกมันเคยมีลูกแบบนี้แต่ว่าเวลานี้มันด้านทองให้เอาลูกออกให้ได้ถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับหนึ่งพันกหาปณะ ท่านบ้านก็พาดมาหาโมโหสดเขาแจ้งให้ทราบว่าประชาชนมีพระราชประสงค์แบบนี้คนที่ลู้ห ล, หลายก็รับฟังต่อไปนะว่าเรไไื่องราวเป็นไงท่านโมโหสถบัณฑิตจริงคิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาจะต้องย้อนไปไดูปริศนายิงถามท่านบ้านว่าท่านทั้งหลายใครจะรับอาสาไปกราบทูลพระราชาได้บ้าง ชาวบ้านยังพร้อมใจกันลงมติให้ชายคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญผู้จาาข้องแลวเป็นผู้ไปกราบทูลกับประราชาก่อนจะส่งชายคนนั้นไปท่านมโหสถณฑิตให้เรียกตัวมาแล้วสอนให้ทำอุบายว่าท่านจงทำผมผู้ท่านให้ยุ่งแล้วก็ร้องไห้คร่ำโคลนเอ่ยไ ป, ไปเดินไปทางประตูราชนิเวศ จพระราชาถามพระเจวังเนะี่ยแต่ใครถามก็อย่าตอบต้งเดินร้องไห้สยายผมเรื่อยไปถ้าพระราชารักสั่งให้เข้าเฝ้าจัด ถ, ถามเรืองเหตุที่ร้องไห้ก็จกึงกราบทูลว่าขอเนถะข้าแต่สมุทิเทพบีดาของข้าพระผู้ดเจ้าปวดท้องครอบมาได้เจ็ดวัน ถ้ายังคลาดบดไม่ได้อ่ะปวดท้องเพื่อจะคลอดนะปวดท้องเพื่อจะออกโลกเมื่อในเจ็วันแล้วแต่ก็ยังคลอดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้ก็หวังพึ่งพระบาร ม, มีปกเกล้าปกกระห ม, ม่อมเพื่อพร่ อ, อ, อ, อาศัยพระมหากรุณาธิคุณโปรดแนะนำที่ทีทําการคลอดหมดในเวดาข้าพระเจ้าได้เกิดพระเจ้าข่า ก้าวพระราชาแะ่ถามว่าให้เจ้านี่บ้าเลยหรือบ้านแน่แล้วมันมีที่ไหนกันอไนอ้ผู้ชายที่ไหนมันจะคอดบุตรไ้ชายที่ไหนมันจะมันจะมีท้องมันมีที่ไหนกันโลกนี้ทั้งโลกมันไม่มีถ้าว่าอย่างนี้นะหรือท่านีจะว่าเพงว่านี่เป็นนงนี่าโกจะสติไม่ดีเป็นโรคปรสะสาทล้วมั้งหรือว่เป็นโกกรคจิตเสื่อม ไอ้ อ, อลูกมันมีที่ไหนท่านว่ายังงี้ก็จงตั้งสติให้ดีแล้วกล่าบทูลว่าขอได้ค่ะถ้าบูชายทอดบทไม่ได้ชาวบ้านฝ่ายจีนเยาวมักคิ์คำก็จะทําให้โคตัวผู้ออกรูปไม่ได้ก็จะทําให้โคตัวผู้เราออกรูปออได้ยังไงพระพุทธเจ้าค่ะ มโหสถสาบมิทีที่จะกราบทูลให้ระราชาแก่ชายมันแล้วชายคนนั้นก็ทำตามที่มโหสถบอกพิจารณาฝายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคํากราบทูลยอมปริศณาเช่นนั้นยิงตัดถามว่าใครเป็นผู้คิดเริศนานี้ชายคนนั้นก็กราบทูลว่ามโหสถพเจารณาราชาก็ทรงโปรดทานมโหสถมากขึ้นนี่คือปัญหาทันหรือไม่ทัน ในแก้ปัญหาเรื่องข้าวพระเจ้าวิทยาราชทรงปรารถนาจะทดหลองปัญญามโหสถต่อไปอยื่นรับจากในชาวบ้านปลาจีนว่ามัจจามหงข้าวหงข้าวเปรี้ยวเนี่ข้าวเปรี้ยวนี่มันเป็นยังไงน้องปูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่นไปดองอบแปดแต่การคืนหนึ่งไม่ให้หงได้เข้าจานเอาละสิข้าวเปรี้ยวนี่น้องปูก็ไม่รู้ ไม่รู้วนเปรี้ยวตรงไหนให้หงข้าวเปรี้ยวด้วยแต่ว่ามีกฎสังคับวันหนึ่งไม่ให้หงด้วยข้าวสารสองไม่ให้หงด้วยน้ำสามไม่ให้หงด้วยเมล็ข้าวสีไม่ให้หงด้วยเตาหงข้าวห้หไาไม่ไม่ให้หงด้วยไฟหกไม่ให้หงด้วย ฟ, ฟืนเจด ไม่ให้หญิงด้วยชายยกมาแล้วกันแปดไม่ให้นำมาส่งตามทางถ้าชาวบ้านทําตามนี้ไม่ได้จะถูกปรับโรหลานที่รักคนนึกออกไหมเพื่อแก้แบบไหนฟ <c oughs> ังเรื่องของท่านไปชาวบ้านพากันไปหามโหสถแจ้งเรื่องราวให้ทราบแล้วโหสถจึงให้หหงด้วยให้โหงด้วยข้าวแหลก เอาสิมนะนซึ่งไม่ใช่ข้าวสารอ๋ออย่างปลายข้าวนี่เราไม่เรียกว่าข้าวสารเพืาอปลายข้าวนี่นะเออจริงนะไม่รู้หลวปู่เขคิดไม่ออกเหมือนกันนะดูหลานที่รักท่านบอกไม่โหงได้ข้าวสารได้ปลายข้าวข้ า, ขาแหลกเขาเรียกข้าแหลกเขาไม่เรียกข้าวสารเนื้อโหงได้น้ำข้ามใช่ไหม ไม่หงุด้วยน้ำแต่แต่ว่าใช้น้ำค้างหงษ์แทนสมัยก่อนเมื่อหลวงปู่ยัเด็กๆน้ำค้างมันหนักพอเช้มืดกลางคือนเราขันไปวางไว้ที่รางน้ำตอนเช้าเย็นมันน้ำเกือบเต็มขันเพราะฝนมันดีหมอกมันดีให้หงุด้วยน้ำค้างที่ไม่ใช่น้ำธรรมดาท่านบกห้ามหงุด้วยน้ำแต่ไอ้น้ำอันนี้ก็น้ำค้างมันลงค้างไม่ใช่น้ำธรรมดา แล้วก็หุงในภาชนะดินใหม่ซึ่งไม่ใช่หมอข้าวไมยความจะไปสุนท้ายโถชาไม่คนใดเอาท่อนเอาไม้ท่อนเล็กๆมาตอกเป็นวงสำหรับสร้างภาชนะไม่เรียกว่าเตาใช้ไปที่เกิดขึ้นเพราะการสีกันในไฟธรรมดามาันต้องจุดท้องมีเือตอนนี้ ถ้าไม่ใช่านั้นเอาไม้มาสีไปเส้นมาสีก็มานไม่เกิดความร้อนมันก็เกิดมีไฟหรือไม่ใช่ไฟธรรมดาแล้วก็ํใช้ใบไม้ซึ่งไม่ใช่ฟืนถ้าห้ามใช้ฟืนให้ใช้ใบไม้แทนเสร็จแล้วที่ว่าโขงข้าวเปรีย้ยวบรรจุลงในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ไประดับปลาปทับปลานะ ตอนี้ท่านสั่งให้แม่ผู้หญิงแม่ผูหญิงถือไปแล้วแม่ไป้ชายถือไปท่านก็สั่งให้เอากระเทยยกไปถวายพระราชาแม้ว่าเทยนี่ไม่ใช่วญญาณผู้ชายให้นำรับจะไม่ไปตามทางให้นำรับไปในทางที่ไม่ใช่ทางหลวงแต่บ้านจัดทำตามมโหสถิามประการเสร็จแล้วไปส่งข้าวเปรีืยกไปถวายพระเจ้าวิเทหราช พระเจ u, ้าวิเทียรราชทรงทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงโปรดทานยิ่ง <garbage> ขึ้นเอาอีกปัญหาหนึ่งนะตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องกิงช้าห้อยได้เชือกเชือตสายให้เชื่อทําได้ตายมันทําได้ยังไงนะฟังกันดูนะพระเจ้าวิเทียรราชทรงนําฤทธิ์ทดลองปัญญามโหสถต่อไปอีกจึงนําบัตรให้ชาวบ้านปาจีนเยาวมัจฉาม ทำพิงช้าห้อยพินชาเนี่ยห้อยได้เชือกสายเพราะเชือกสายอันเก่าขาดไปเอาแต่แล้วเวละมาหาเรื่องยง่งใครเอาสายมากันเทียกกันบ้างให้ปั้นเชือกสายเนึ่เส้นส่งไปถวายถ้าทําส่งไปไม่ได้จะถูกปรับไม่เป็นการเขาทดลองปัญญากันเส่นปัญญาในโลกหลานรักมีความสาคัญมาช่วยตัวได้มาก ชาวบ้านนีน่นำความไปไปบอกกับมโหสถมโหสดจึงคิดย้อนปัญหาพูดเอาใจชาวบ้านแม่หวิตกแล้วก็บอกให้คนที่กล้าที่จะพวกครองๆอสองสามคนเข้าไปทูลพระราชาขอดูตัวอย่างเชื่อกชายเส้นเก่าว่ามีขนาดเท่าไหร่ จะได้ทำให้เหมือนของเก่าและโถวพระาชประสงค์แม่แก้วนิดเองนี่ถ้าเป็นหลวงปู่ก็เก่งแล้วไปไม่รอดหากพระราชารับสั่งว่าเชื่อกสายไม่มีในะพระเจาฐานโาท่านยังทนว่าก็เมื่อเชื่อกสายตัวอย่างไม่มีแต่บัานปราจีวาวัาจะทรมก็จะทำเชื่อกสายได้อย่างไรแต่ไม่เจ้าก่้า ชาสองสามคนไปกราบคุณพระราชาตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทระทราบว่าเป็นความคิดขอ ง, งมโหสถก็ทรงสมนัสคือดีใจีปัญหาหนึ่งทนไหวแล้วไม่ไหวพระเจ้ไม่ไหวแสดงมั้งทดลองดูนะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องสระนา้ำพระเจ้าวิเลเทราะสรงทดลองปัญหามโหสถ ต, ต่อไป โดยมีรับสั่งว่าชาวบ้านปราจีนวมาจธรรมจงทรงสาบโอเรลีถึงเต็มไปได้วยดอกฟัวห้าชนิดพวะยโดยมีพระราชระสง์จะทรงเล่นน้ำในสระหากทรงไปไม่ได้จะถูกปรับชาวบ้านได้นำความมาแจ้งแกมหสถปนิชใต้มหาสดเขาจะเป็น <c oughs> คิดที่จะต้องย้อนปัญหาอีก จึงเรียนเรียกผู้ชายสองสามคนมาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงไปเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมและผ้าให้เปียกเอาโครนมาทาตัวถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้แล้วไปพ่อพระราชากลาวผมว่าขอเดชะตามที่พระกรุณาโปรดกล่าให้ก้ากระม่อมฉันให้ชาว บ, บ้านปาจิญเาวัชจะคำ ทรงซาโปรกรีเต็มพระเดชดอกพัวให้ชนิดมาถวายนั้นข้าพระพุทธเจ้าในานามซาโปรกรณีมาถวายแต่บังเอิญซาโปรกรีเห็นเมืองใหญ่มีกำแพงพูประตูขอรบแล้วก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปพวกข้าพระพุทธเจ้าช่วยด้วก้อนดินและท่อนไม้ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับขอใต้ฝ่าแล้วองพระมีพระบัติ สมพระรจ้าจะทานสะโพกนีที่เคยนํามาแต่ป่าให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระุทธเจ้าจะได้นําไปผูกกับสะโพกนี้ที่หนีไปถ้าดึงเอากลับมาถวายหากพระราชารับสั่งว่าเราไม่เคยนําสะโพกนี้มาแต่ป่าพโเจ้รอัลลามพูดเอาเรื่องราที่ไม่สมควรมาพูดแล้วองนี่มันมีที่ไหนข้อแก่น พระราชาไว้นั้นนะขอผู้ท่านยังกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่นำสัปปุกนิยถวายได้คือเจ้าค่าเมื่อมโหสถบอกวิธีย้อนปัญหาให้ชายสองสามคนแล้วให้ไปกราบทูลพระราชาชายสองสาคนรีบเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลตามที่มโหสถบอกทุกสการเปน็นน่าพระราชาชอบใจ ตอนท้ปัญหานี้่ลงโผ่ผู้เร็วไปนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพร า, าเกรงจะไม่ทันเวลาเอาละบรรดาลูกหลานที่รั ก, กบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่านานําหรับเรื่องราวเขมโหสถบัณฑิตมองดูเวลาเวลาในอินิดมังก็ไปไม่ไหวก็ขอยญติว้าจะเพียงตรานี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล และขอทุกท่านที่รับฟังจงเจริญไปด้วยเจตุรพิธคพรชัยทั้งสีประการเยาวุฒิสุขะัลและปฏิภานหาทุกท่านศาสนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนประสบการสวัส ด, ดี